ยีสัญโยชนะสัญโยชนะสัมยุตตะทุกะหนึ่งกุสลตะกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุปัจใจสามสเจสภาวธรรมที่เป็นสังโยชตและสัมยุตด้วยสังโยตซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชตและสมยุตด้วยสังโยชตซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที change, mm ่ส hmm. ัมยุญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมบุญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์สัมยุญด้วยสังโยชน์และที่สัมยุญด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศล เกิดขึ no. ้นเพราเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสามเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีสามวาระณทิปติปัจจัยมีเ้าวาระนปเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนปชชาตะปัจจัยมีเ้าวาระ นักอาศัวณปัจจัยมีเก้าวาระนักธรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อพึงขยายสหาชาติ ว, วาระและสัมยุญต ว, วาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสามสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมยุญด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอคุสล เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และชำปรยุตธ์ด้วยสังโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยยอ่อ40เหตุปัจจัยมีสามวาระอาริมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอุปาเนีเยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวะปัจจัยมีเ้าวาระปรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระ อินทรียปัจจยัยมีสามวาระชานะปัจจยัยมีสามวาระมรรคปัจจยัยมีเก้าวาระสมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจยัยมีเ้าวาระย่อสี่สิบเอ็ดณเหตุ ป, ปัจจยัยมีเ้าวาระณอารมณปัจจยัยมีเก้าวาระนณทิปติาาปัจจยัปปจจยมีเก้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ อารามณปัจจัยกับนเธอตุปัจจัยมีกลาววารักย่อพึงนักเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมปัจญิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วยี่สิบห้าสัญโยชนะวิปยุตตสัญโยชนิยะทุกขะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระปัจยะจตุกไนเฮตุปัจจัย ส ham, category, ี่สิสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สีเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อในจุลันตระทุกกะเหมือนในโล ก, กียะทุกกะพึงขยายสหาชาติวาระและถึงปัญหาวาระให้พิจารณาทุกปัจจัย 44. สภาวะธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นอกุศลโดยอารมณะปัจจัยย่อ45อารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อ46สภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นอภิญากฤตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์ แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์และ ไ, ไ, say, แไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซ <UM ึ่งเป็นอภิญากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิญากฤิต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 สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอภิยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์และที่วิปยุจจากสังโยต์ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ47เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึง อาเซวณปัจใจมีหนึ่งวาระกรร ม, มปัจใจมีห้าวาระวิประปัจใจมีห้าวาระละถึงอวิคตปัจใจมีห้าวาระยอ่อณเหตุปัจใจมีหนึ่งวาระณาอารมะณปัจใจมีสามวาระนอทิปติปัจใจมีสองวาระณปุเรชาตะปัจใจมีสี่าา ว, วาระณปัจชะชาตะปัจัยมีห้าวาระณอาเสวณปัจใจมีห้าวาระ นักกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีสองวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสี่สิบแปสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์ซึ่งเป็นอัพยากฤิ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิพิจักสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ซึ่งเป็นอัภยกฤตโดยเหตุปัจจัยย่อ4ี่สเ้าเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอันันตระปัจจัยมีสี่วาระละถึงชาติตาปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสองวาระนิเสยปัจจัยมีเจดวาระ ปุปะนิเสยปัจใจมีสี่วาระปเรชาตาปัจจัยมีสองวาระปัช้าชาตาปัจจัยมีสองวาระอายเซวนปัจจใจมีหนึ่งวาระรามะปัจใจมีสี่วาระละถึงมัคคะปัจใจมีสี่วาระสัมปยุตต ป, ปัจจใจมีสองวาระวิปยุตตปัจจใจมีสม e วาระละถึงอวิคตา ป, ปัจจัยมีเจวาระยอ่อห้าสิบ น่เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอ่อนอรมณปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อนอ่นอรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่ออารมณปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึง น, นับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว สัญโยชนะโคจกะและปุสละตึกะจบยี่สิบหกคันถทุกะ 1. กะหนึ่งปุชละตึกะ1หนึ่งถึงเจ็ดปฏิจวาระปัจยะจตุกไนหนึ่ง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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นคันถะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันถะและที่ไม่เป็นคันถะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสี่เหตุตุปปัตใจมีเก้าวาระอารมาณปัจจัยมีเ้าวาระละถึง อวิคตาป yo, Thom ัจจ <inter ng Collabor acji> <meter> <camino> ัยมีเก ay ้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนเอเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงขยายสหชาตวาระละถึง สามยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจัตวาระหสภาวธรรมที่เป็นคันทะซึ่งเป็นอกุศนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อหเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมาณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระและถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารรปัจจัยมีสามวาระ อินทรียป e ัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระย่อเจ็ดนเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระนอารมณปัจจัยมี9ก้าวาระย่อนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระย่อ พึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นอัภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเกเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ ชาหชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิบเจ็ดคันธานิยะทุกกะหนึ่งกุชละตึกกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัสิบสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสิเอเหตุปัจจัยมีสองวาระอาริมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสองวาระยอ่อเหมือนกับข้อความในโลกียทุกะและโลกุตระทุกกะพึงขยายสหชาตะวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิสดาร 12. สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 13. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจ <coffee>. จัยละหนึ่งวาระ 14. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอภิญากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอภิญากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสิบห้าเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมาณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเหมือนกับข้อความในโลกียทุกกะและโลกุตระทุกกะพึงขยายชาชาตวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิจารณายี่สิบปดคันถะสัมปยุตตะทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจสิบหสภาวธรรมที่วิปิยุ จ, จักคันถะซึ่งเป็นกุศลอาศัยาสภาวธรรมที่วิปิยุ จ, จักคันทะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอสิบเจ็ด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 สภาวธรรมที่ y y วิปิยุจฉักคันทะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิย uh ุจฉักคันถะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธเรียกคันทะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธเรียกคันทะและที่วิปิยุจฉักคันทะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ 19. เเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมาณะปัจจัยมีหกวาระ นาทิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระย่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาทิปติปัจจัยมีหกวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระละถึงนักกรรมปัจใจมีสี่วาระนาวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระย่อพึ้นขยายสหชาตะวาระละถึงสำปรยุตตะวาระให้พิจารณายี่สิบ สภาวธรรมที่สัมปยุทธเด็กคันทะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธเด็กคันทะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อยี่สิบเอ็ดเหตุปัจจัยมีหกวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอันันตระปัจจัยมีเก้าวาระสามัันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตตปัจจัยมีหกวาระละถึง นิสยปัจจัยมีหกวาระอุปานิสยปัจจัยมี9้าวาระอายเสนวะปัจจัยมี9้าวาระกรรมะปจจัยมีสี่วาระละถึงมัคระปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระละถึ ง, จจวจจวถงอวิคตะตะป จ, จัยมีหกวาระยอ่อ22สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันทะซึ่งเป็นอัพยากริต อาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุติจากคันถะซึ่งเป็นอัพยากฤิตตรวจขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิบสามเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคัตตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิบเก้าคันถะคันฐานิยะทุกกะ หนุสลติกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะยะจตุกนัยเหตุตุปัจจัยี่สิบสสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันถะซึ่งเป็นกุศ ล, ศ เ, เ, เ, ศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่ยอยี่สิบห้าเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิหสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่ะอยี่สิบเจ็ดเหตุุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระ อาทิตติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนัทิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงนักกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึ่อขยายสหาชาติวาระละถึงสัมบยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจัวาระยี่สิปด สภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อยี่เกเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระอหารปปัจจัยมีสามวาระ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 อนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสาสอสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นอภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสาสองเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาริมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสะาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสาคันทะคันทะสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งปุสละติกะหนึ่งถึงเปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเฮตุปัจจัยสาสสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะ ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุทธ์ด้วยคันทะซึ่งเป็นอกุสนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสามเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึง นวีปยุตตะปัจจัยนิฆ่าวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระให้พิจาราเหมือนกับปฏิจจวาระ 35. สาสิห้าสภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตเรียกคันทะซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตเรียกคันทะซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยยอ่อสาสิหเหตุปัจจัยเนิฆ่าวาระ อรมณปัจจัยมี9ก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระมหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตาปัจ oh. จัยมี9ก้าวาระย่นะอสาสเณเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระณอารมณปัจจัยมี9ก้าวาระย่อ เนาอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจใจมีกลาววาระยอ่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจใจมีกลาววาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมมะปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสามสบเอ็ดคันถวิปยุตตะคันธนิยะทุกกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจใจสามสิบปดสภาวธรรมที่วิปิยุ จ, จากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุ จ, จากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุ จ, จากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ39เกหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิสดารทุกปัจจัย40สภาวะธรรมที่วิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ41เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาหะชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ42สภาวธรรมที่วิปิยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นอัพยากฤิต อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ <ouble> ว well, ิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะและที่วิปยุจจากคันทะไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสี่สิบสามเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อพึงขยายชาชาติวาระ ละถึงสัมยุญตวาระให้พิจรารณาเหมือนกับปฏิจจาวาระ4ีสิบสสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นอนัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะ และไม่เป็นอารมณ์ของคันถะซึ่งเป็นอัภยกฤิโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อสีห้าเหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมาณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตรปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระ ปูานิสยปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัชชาชาตปัจจัยมีสองวาระอายเสนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระละถึงมรรคปัจใจมีสี่วาระสามยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเจวาระย่อ46 น่เหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนอ่นอรมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระย่อนอ่นอรมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่ออรมณะปัจจัยกับน่เหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่นับเหมือนอนุโลมปัจจินยะอนุโลมปัจจินยะและปัจจินยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วคันถัโพจกะและกุศลติกะจบ โอคะโคจ ก, กะและโยคะโคจ ก, กะเหมือนกับอาชวะโคจ ก, กะปุสละติกะสี่สิบสี่นิวรณธทุกะหนึ่งุสละติกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนยัย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 สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสี่ เหตุปัจจัยมีกลาวว่าอารมณปัจจัยมีกลาวว่าละถึงอวิคตตปัจจัยมีกลาวว่าย่อปัจจนิยะนเหตุปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนันเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณอาศัยวิจิกิจชานิวรณและอุทจานิวรณ์เกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์ อุทจฉนิวรและสัมปยุตตขันเกิดขึ้นยอ่อหนเหตุปัจจัยมีสามวาระนณทิปติปัจจัยมีเก้าวาระณปุเรชาตา ะ, ะ, าะปัจจัยมีเก้าวาระละถึงนักธรรมปัจจัยมีสามวาระและถึงนวิปยุตตปัจใจมีเก้าวาระยอ่อสหจารตะวาระและถึงสัมปยุตตะวาระทุกปัจจัยมีปัจใจและเก้าวาระเจ็ด สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อ 8. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระและถึงอาเซวณปัจจัยมี9้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระ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 อนุโลมปฏิญญาและปัจินญาอนุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวร์ซึ่งเป็นอัพยาก ฤ, ฤ, ฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวร์ซึ่งเป็นอัพยาก ฤ, ฤ, ฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอ ร, รมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสีหนิวรณิยทุกกะหนึ่งกุศลตุกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจญาจตุกนัยเหตุปัจจัยบเอสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้น เ, นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสิบสองเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณาสิบสาม สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 14. เหตุตัวปัจใจมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาติชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสิห้า สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ16เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเสวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อเพิ่งขยายสหาชาติวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณา46 นิวรณสัมบยุตตทุกกะหนึ่งกุศลติทกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่วิปิยุจากนิวร์ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากนิวร์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสิบแปดเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อชาชาตาวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสิเกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย่อยี่สิบเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระ และถึงอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระยี่สิเอสภาวธรรมที่วิปิยุจากนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากนิวรณ์ซึ่งเป็นอภยยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย่อยี่สิบสองเหตุ ป, ปัจปจัยมีหนึ่งวาระอารมาณปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสี่สิบเจ็ดนิวรณนิวรณียทุกกะหนึ่งปุสละเถกกะหนึ่งปฏิจจวาระปัะจญาจตุกนัยเหตุปัจจัยี่สิบสาสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิบสี่เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิบห้า สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที irm, ่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิหกเหตุถูกปัจจัยมีเก้าวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิชตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อ สหชาติวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระยี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอภิยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเ พ, เพราะเหตุปัจจัยย่อยี่สิบแปดเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตปัจใจมีหนึ่งวาระยอ่อสหาชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจใจมีปัจใจละหนึ่งวาระ 48. นิวรณะนิวรณ ะ, ะสัมปยุตตทุกกะหนึ่งุชลตุกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจิยะจตุกนยเหตุปัจใจ 29. สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตย์ด้วยนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมบุญุตรีนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ30เหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมาณะปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีกลาวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระ49นิวรณวิปยุตตานิวรณิยทุกกะ หกุศลติกะหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยิเหตุปัจจัยมสอสภาวธรรมที่วิปิยุจกนิวรนแต่เป็นอารมณ์ของนิวรนซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจกนิวรนแต่เป็นอารมณ์ของนิวรนซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจกนิวรนและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรนซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสาสิสองเหตุตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึ้นขยายสหาชาตวาระละถึงปัญหาวาระให้พิดารณาสาสสาสภาวธรรมที่วิปิยุจากนิวรณ์ แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่วิปิยุจักนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณและที่วิปิยุจักนิวรณไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อ34เหตุตุปัจมีหวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงใจวุณะปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิปากะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อพึ่ขยายสหาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระให้พิจารทุกปัจจัยนีวรณโคจกะและกุชลภิกกะจบ